บทความเรื่องพระคุณแม่รวมบทคัสสรรโดยเศษดินสิ่งมัรยายโดยโจโฉ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 เด็กหญิงต้อยได้ตะกอดร่างอันไร้วิญญาณของแม่ร้องไห้ออกมาอย่างหหยหวนอย่างน่าสมเพศเวทนาและน่าสงสารเป็นยิ่งหนักเธอพร่ำร้องเรียกแต่แม่จ๋าแม่จ๋าต้อยกลับมาแล้วซื้ อ, อยามาให้แม่แล้วแม่ลุกขึ้นมากินยาสิแม่อ น, นิจจากว่าเด็กหญิงต้อยจะรู้สึกตัว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 แข็งเหมือนใครแม่ก็รู้ตัวเหนื่อยมานับแม่พักี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 เป็นคนข น, นาดนี้ต้องหมดเปลือเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ในใครทำให้เราได้เท่าเธออยาดเงื่อลือนน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้ง ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจ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 พระคุณแม่สุดจะเล่าหรือกล่าวขานพระคุณแม่ล้ำค่าสุดทาทานพระคุณแม่ส่งผานสารดวงใจคำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันแต่ความหมายนั้นมากเกินคำอื่น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 กลมนกับแทนคุณแทนรักกี่คน คำยิ่งใหญ่หนึ่งคํานี้แทนใจแทนความผูกพันบุทความเรื่องพระคุณแม่รวมบทขสันโดยหลวงพ่อสมชัยอภิปุญโยเสิ่งบรรยายโดยโจโชติดตามดาวนโหลดธรรมะฟรีอีกมากมายได้ที่ net, j o h n e t j o c h o.net อย่าย้อนเวลากลับไปแก่ตัวอีกครั้งจะไม่ทำให้วุ่นวายใจจะเชื่อฟังจะไม่ทำให้แม่เสียใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจยัง